นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์ตอนนี้เป็สู่ที่98ครับในตอนที่98นี้เราก็ back to basic นันคือเรื่องของการปฏิบัติตั้งแต่ basic basic เลยนะวันนี้เราเน้นเรื่องการปฏิบัติอย่างเดียวนะครับเจ้าอาตมาพรพับภัยบุญก็มาพร้อมกับคุณหมอนัทะพงศ์ครับกลับน้อสการครับกรัผมทันตแพทย์นัทพงศ์กนวิรุณจากกรุงเทพครับคุณหมอนัทพงศ์ก็อยู่กรุงเทพ ต, ตัวอาตมาก็อยู่อุดรธ า, านีครับเราก็บันทึกเสียง ผ่านระบบอินเทอร์เนต็ตให้ท่านผู้ฟังได้ฟังก็อยู่ที่บ้านแต่ละคนก็อยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นนี่เรากำลังจะพูดถึงการที่ว่าแต่ละคนก็อยู่แต่ที่และที่ของและแต่ละคนนะน ะ, ะแล้วก็การศึกษาธรรมะนี่เป็นไปได้ทุกๆ ท, ที่เลยแล้วนะ <Okay. S 1> ก็ทุกๆรูปแบบทุกๆ ท, ที่ด้วยวันนี้ก็เลยจึงจะพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบซะหน่อยมลพงษ์ เป็นยังไงครับเพราะว่าการปฏิบัตินี้จริงๆเราทําได้ทุกที่อยู่แล้วไม่ว่าที่ทํางานที่บ้านหรือที่ไหนก็แล้วแต่ใช่ไหมใช่ครับทีนี้การปฏิบัติที่เราส่วนใหญ่จะพูดถึงกันเนี่ยก็คือการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบคือการปฏิบัติเนี่ยคำว่าปฏิบัติเนี่ยนะคืการนำธรรมะไปใช้งานมบ้ันเถอดทีนี้เราถ้าเราทํานำธรรมะไปใช้งานอันนี้เป็นสิ่งแน่ดีแน่นอนเราเน้นย้ํามาประจําทีนี้ที่เรา back to basic แือตอนนี้เรากําลังพูดถึงการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบน่คือการแบบนั่งสมาธิเลยบางทหลับตาเลยอที่เราคุ้นเคยกันใช่ที่คุ้นเคยกันนั่งก็เรียกว่านั่งกู้คาเข้ามาได้รอบนั่งหลับตาหลืบตาก็ได้อย่างเงี้ยนะครับก็เลยจะ back to basic ในเรื่องนี้สัหน่อยหนึ่งดีครับคือพระพุทธาก็พูดถึงอการปฏิบัติตรงนี้เราก็ไล่มาจากตรงอนาปนสติสูตรแล้กันหมอระพงนะคือตั้งแต่ว่า เรากินข้าวเสร็จนะกลับจากการสแสวงหาอาหารเนะี่ก็ไปสู่เรือนว่างนะไปสู่ที่เสนาสนะอันสังกัดเราต้กกินอาหารเสร็จก่อนนะการกินนะเราต้องพิจารณาไงเรื่องการกินใช่ไหมเราก็กินอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่เพื่อเล่นไม่เพื่อโวเมาไม่เพื่อประดับไม่เพื่อตกแต่งใช่ไหมแต่กินเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้นะเพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อบังกันความลำบากเพื่ อ, อนุเคราะห์พระมจรร แต่เพียเพื่อที่จะให้การนี้ตั้งอยู่ได้อย่างนี้นะที่มีคํำบอกว่ากําจัดเวทนาเก่าคือความหิวใช่ด้วยไหมครับนะกำจัดเวตนาเก่าในวงเล็บคือความหิวนะแล้วก็ไม่ทําให้เวทนาใหม่ในวงเล็บคืออิ่มจนอึดั ด, ดให้เกิดขึ้นทีนี้ความหมายตรงนี้ก็ยังมีแตกไปอีกนะเวตนาเก่านี้ไม่ใช่เฉพาะแค่ความหิวในรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บด้วยบเบตนาใหม่อันนี้ไม่ใช่แค่อิ่มจนอึดัด ยังรวมถึงโรคภายไข้เจ็บในอนาคตยังรวมถึงอาการหิวตอนบ่ายอีกอย่างเงี้ยนะครับเอทีนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันในเรื่องของการกินอีกทีหนึ่งทีนี้กินเนี่ยเอาง่า ย, ายๆตรงนี้ก็คือว่าพอกินอิ่มแล้วเนี่ยกินจบแล้วเนี่ยคือยังมีช่องว่างเหลืออยู่ในท้องบ้าง<อ>ที่อ่องเล็กน้อยใช่พุทธช า, าบอกให้เป็นผู้ที่มีเป็นยินดีในความเป็นผู้มีท้องอ่าพร่องอยู่เสมอ เนี่คือยังมีช่องว่างหรือในท้องบ้างทางการแพทย์ที่เขาก็มีข้อมูลนะหมอรพงศ์ครับคือว่าข้อมูลว่าไงครับ่ว่าถ้าไม่มีช่องว่างในท้องมันก็จะไม่มีที่ให้เก็บอากาศที่เวลากระบวนการย่อยมันจะมีอากาศหยุกออกมาใช่ไหมอืมเกิดแก๊สขึ้นมาใช่ที่เลอะเลยใช่เออซึ่งถ้าไม่มีเนี่ยทําให้ระบบการย่อยต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพต่ำอย่างนี้นะครับเอซึ่งมันก็เป็นกระบวนการของเขาก็ต้องให้มี ต้องมีช่องว่างถึงจะมีประสิท ธ, ธิภาพในการย่อยสูงเหมือนกันเถอนะครับ อ, อ, อ, อาจจะเกิดท้องอืดถ้าไม่นั่นใช่ทีนี้ป<อ>ระเด็นถัดมาก็คือ เ, ออเข้าสู่เซนาสนะอันสังัดเซนาสนะอันสังัดนี่มีหลายอย่างมากาตั้งแต่มีอะไรบ้างครับภูเขาซอกห้วยท้องถ้มป่าชา้าป่าชัดที่แจ้งล้อมฟางหรือเรือนว่างกระไรก็คือจะเป็นสถานที่ที่เงียบสงบ โ ด, โดยพื้นฐานใช่ไหมครับอ่าใช่อย่างลอมฟางอย่างเงี้ยทําไมเขาถึงพระเจ้ชาใช่ว่าลอมฟางเพราะว่าเวลาชาวนาเขาเกี่ยวข้าวเนี่ยสมัยนี้ที่เขาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเนี่ยนะกิจกรรมอะไรต่างๆในนาแล้วเขาจะวางฟอนข้าวเอาไว้กองฟางเอาไว้กองฟางในที่นี้ก็คือว่าเป็นเครื่องหมายแสดงว่าเก็บเกี่ยวเสร็จละเก็บเกี<อ>่ยวเสร็จแล้วก็ไม่มีคนไปยุ่งแถวนาแล้วทุกคนเขาอยู่ในบ้านเล่นสนุกเฮฮาแฮปปี้กันในบ้านก็ะจะไม่ออกมาที่แถวแถวนา เราะฉะในใบริเวณนาเนี่ยก็จึงเป็นมีแต่กองฟางละลองฟางอยู่ก็แสดงว่าคนไปหมดแล้วนะแล้วก็ไม่มีข้าวกล้าไม่มีข้าว เ, เขียวๆอยู่แล้วคือแสดงถึงการกเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วด้วยที่ดินตรงนั้นก็ไม่ได้มีใครใช้งานอะไรเนาะตรงนี้เราเห็นในยะหนึ่งตรงที่ว่าพระเจ้าก็ไม่ได้บ่งบอกว่าตรงนั้นจะมีเสียงมีอะไรมากน้อยแค่ไหนอนะแต่เป็นเสนาสนะอันสงัด อีกในยะหนึ่งที่ผู้เช่าเคยตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องเนาสนะอันสงัดคือว่าเป็นที่ที่เป็นที่รับหลีกเล้นนะห่างไกลจากการกระแสลมที่เกิดจากคนเข้าคนออกด้วย อ, อืคือคนเข้าคนออกไม่มีน้อยน้อ ย, อยมากระเถอจะเงียบหรือไม่เงียบนี่ก็อีกทางหนึ่งคือมันก็ต้องเงียบมาแหละใ<ช>นเป็นที่รับลีกเล่นลนะที่นี้เงียบระดับไหนนะผู้เชา่าก็เคยบอกไปอีกในยะหนึ่งเหมือนกันว่า เงียบเนี่ยก็คือไม่มีเสียงกระทึกคระโลงมีกิจกรรมน้อยอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่แบบนี้ได้เหมือนกันทีนี้ถ้าคนคบแบบว่าหาสถานที่แบบนี้ไม่ได้ละ่ะทำยัง ไ, ไงดีพระพุทธเจ้าก็มีทางออกไว้ทางหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมุติว่าอยู่ในที่ที่มีอุบาสกอุบาสิกามีปริพาชคอ ม, มาตมหาหามาแดงต่างพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะแต่ถ้าจิตเนี่ยไม่มีตัณหาเราก็ถือว่าที่นั้นเนี่ยเป็นที่สงัดเหมือนกัน แต่เป็นผู้ที่อยู่ผู้เดียวเหมือนกันสังกัดในจิตครับใช่ในทางตรงกันข้ามถึงแม้ว่าจะอยู่ในเนสนาสนะสังกัดนะไม่มีเสียงอึกทึกโครมไม่มีกระแสลมที่เกิดจากคนเข้าคนออกแต่แต่ถ้าจิตยังมีตัณหาก็เหมือ น, นว่าอยู่เป็นเพื่อนสองไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่ดีครับครับที่มีคําพระสูตรบอกว่าจิตออกกายไม่ออกใช่ใช่ ใ, ชในในลักษณะนี้เอพราะฉะนั้นก็คือว่าเราต้องดูทั้งสองฝ่ายนะ Ios, ค, คือเงียบก็มีที่พเจ้าเคยตัดไว้ที่มีเสีเยงกระทึกคือโครมจนกระทั่งเราอาจจะต้องไปสนใจสิ่งภายนอกแต่ว่าถ้าจิตเราสบายก็ถือว่าสังกัดเหมือนกันอืมเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเงียบกริบเลยแต่ที่บอกว่าเงียบกริบไว้ก็มีแต่ถ้าเราเหาไม่ได้เราก็พอจะทําได้เท่าที่เราทําได้ก็ได้เหมือนกันครับก็ยังนึกนึกถึงสมมุติเรานั่งนั่งรถนั่งรถเมล์หรือนั่งรถไฟฟ้าไปทำงานเนี่ยอืม มันคนมันก็มากมายเพียบใชใช่ใช่ในในตอนนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราพยายามที่จะละตัณหามีสี่สัมปัญญะใช่ไหมรตรงนี้นก็ชื่อว่ า, เ, าเราก็ปฏิบัติละ อ, อวิเวกในจิตใช่ไหมครับใช่วิเวกในจิตกายยังไม่ออกแต่จิตเริ่มออกละไม่มนะีไม่มีมิจฉาสังกัปปะนะคือความคิดในทางการปฏิบัติเบียดเบียนในขณะที่อยู่ในรถไฟอย่างเงี้ยหรือรอยู่ในรถที่จอแจกก็ชื่อว่า มีกายออกละอมีจิตออกละอย่างนี้ติงจะดีน<ม>ครับจิตออกหมายความว่าจิตออกจากการใช่ไหมครับใช่การพยาบาทเบียดเบียนหลีกออกอตรงนี้ครับ อ, อืมเอมอกลนะับมาถึงประเด็นที่ว่าในเสนาสนะอันสงัดอย่างนี้แล้วทํายังไงต่อพระพุทธเจ้าก็ให้นั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบมาแล้วพงอ๋อท่าที่เราคุ้นเคยอ่านั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบเนี่ยจะมาไปเลยลองลองทำการศึกษาในเบื้องต้นดูครับเพราะว่าท่าที่จะคู่ขาเข้ามาโดยรอบได้เนะ รอบนี้อาจจะเป็นรอบข้างในหรือรอบข้างนอกก็ได้แต่คือคุณจะนั่งผับเพียบก็ได้นะหรือนั่ง<ม>คู้เข้ามาท้างหนก็เป็นนั่งขัดสมาธิครับทีนี้ในการนั่งประเพียบเนี่ยจะแบกข้างซ้ายแบกข้างขวาหรือแบกทั้งสองข้างก็ได้แล้วก็กได้เท่านั้นคือแบก<บ>ออกอเลย ด, ดูไม่ค่อยสุภาพนะครับนะทีนี้มันก็แล้วแต่คนอันนี้ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดไว้อนะครับทีนี้ถ้าแบกเข้ามาข้างไในก็ได้นคือหมายโค้งเข้ามาข้างไในแต่ถ้าโค้งเข้ามาข้างในเนี่ย ที่ดูๆนะมันมีอยู่สี่ท่าด้วยกันหมอละพง oh. คือระดับแรกก็คือว่า แ, แค่เรานั่งขัศมาธิธรรมดาคือ <teens S 1> <liar. S 2> จะบอกว่าขัศมะที่ท่าไหนเนี่ยเราจะเอาเข่ากับเอาเท้าเนี่ยเป็นเกณฑ์แตคือตั้งขาของเราเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นเข่ากับส่วนที่เป็นเท้าใช่ไหม <sigh> ใช่ครับเข่าเนี่ยถ้าอยู่บนเท้าคือเา ข, าข่าขวาอยู่บนเท้าซ้ายแล้วก็เข่าซ้ายอยู่บนเท้าขวาเนี่ยอันนี้เป็นนั่งขัศมาทีธรรมดาบที่เราคุ้นเคยกัน นคือเข่าขวาบนวางทับบนเท้าซ้ายเท้าซ้ายวางทับบนเข่าขวาแล้วค้ไปเข่าซ้ายวางทับบนเท้าขวานี่คือนั่งคัศมาธิธรรมดาอีกอันหนึ่งที่เราอาจจะเคยได้ยินกันคือเอาขาขวาทับขาซ้ายอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเอาเข่าขวาเนี่ยทับเท้าซ้ายแล้วเอาเท้าขวาเนี่ยทับเข่าซ้ายด้วยคือทั้งเข่าและทั้งเท้าของข้างซ้ายเนี่ยอยู่ใต้ ทั้งเข่าและทั้งเท้าของข้างขวาข้างขวาโอเคโอเคนะส่วนอันแรกนี่คือเอาตรงเท้าขวาเนี่ยไปอยู่ใต้เข่าซ้ายซะอืเพราะนั้นเข่ามันจะเชิดขึ้นมาแต่เท้านี่จะอยู่ข้างล่างหมดครับอ่อันนี้คือแบบแรกนะอันไหนที่เขาเรียกว่าสมาธินั่งสมาธิเพชรนะครับท่านอ่าก็คือเป็นแบบที่สามนี้ก็คือว่าเอาเท้าเนี่ยอยู่บนเข่าทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวาเนี่ยอยู่บนเข่าทั้งซ้ายและขวา อืออ่าคือหมายความว่าเท้าขวาเนี่ยอยู่บนเข่าซ้ายเท้าซ้ายเนี่ยอยู่บนเข่าขวาอือคือเข่าเนี่ยมันจะต้องลงไปข้างล่างแล้วเท้าอยู่ข้างบนคักขึ้นมานี่คือลักษณะของขัดสมะเพ็ดอืมแต่คือเราจะอธิบายการนั่งขัดศมะเนี่ยคือนั่งกูขาเข้ามาเนี่ยนะด้วยการที่อธิบายถึงกริยาระหว่างเจ้าเท้ากับเจ้าเข่านี้อ๋ออ่านะครับอ่าส่วนแบบที่สี่นั่นก็คือไม่มีเข่าไม่มีเท้าที่ทับกันเลย ในคือแบวออกไปเลยอ๋อแบวไปเลยแบออกไปคือขนานกันว่างกันหมดเลยสมาร์พื้นหมดเลยรจะเอาข้างขวาอยู่ข้างหน้าก็ได้ทั้งซ้ายอยู่ข้างหน้าก็ได้ก็แล้วแต่ครับส่วนแบบอีกแบบหนึ่งที่กลับไปที่เอาขาขวาทับเท้าซ้ายใช่ไหมทั้งเข่าและเท้าของข้างขวาทับข้างซ้ายหมดหรือคุณจะเอาทั้งเข่าและทั้งเท้าของข้างซ้ายทับขั้งขวาก็ได้ในมีทั้งหมดอยู่สี่แบบนี้ครับในสี่แบบนี้เนี่ยเราลองพิจารณาดู เนี่ยว่าถ้าเรานั่งแล้วอันไหนมันจะทรงตัวได้ก็เอาอันนั้นแหละอืมแต่ละนนคนไม่เหมือนกันใช่ใชไม่เหมือนกันออทีนี้ประเด็นมันมีอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งว่าอที่บุรุษชาบอกว่าให้ตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าตั้งกายตรงนะตั้งกายตรงเนี่ยก็คือคอตรงหลังตรงนะ<อ>ตรงกันในลักษณะที่ว่าไม่ให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันรับน้ําหนักของร่างกายส่วนบน อ<ล>ื<ง>ทีนี้ถ้าอถ้าไม่ให้ร่างกายรับน้ําหนักของร่างกายส่วนบนนะนะเป็นกล้ามเนื้อของหลังของเราเนี่ยนะครับเพื่อเราจะไม่ปวดแลเราจะสบายคือให้กระดูกเนี่ยเป็นตัวรับน้ําหนักอืมกระดูกสันหลังตรงอใช่ก็คือมันก็จะตรงตรงลงกันมาก็จะเป็นเรียกว่าจุดน้ําหนักมันก็จะไหลมาตามกระดูกสันหลังลงมาที่ก้นขบนันเองครับลงม า, กงก า, าที่ว่ากระดูกเชิงกรานรทีนี้ตัวกระดูกเชิงกรานเนี่ยสาคัญมาระบวบง อตรงที่ว่ากระดูกเชิงกลานเนี่ยมันต่อกับขาเราไปตามขาอ่อนจนถึงหัวเขา่าทีนี้ถ้าเผมว่าหัวเข่าเราเชิดขึ้นเนี่ยกระดูกเชิงกลางเราก็จะแอนตัวลงแต่พอแอนตัวลงเนี่ยหลังเราก็จะโกง่งพอหลังเราโก่งเนี่ยน้ําหนักมันก็จะถูกไม่ได้ลงตามกระดูกเชิงกรานละ่ะมันก็จะไปให้ใหต้องให้อกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นตัวรับน้ําหนัก เพราะนั้นหลักการก็คือว่าเฮ้ยทายังไงให้อให้ขาให้เข่าเราเนี่ยมันต่ําอยู่ที่สุดต่ำอยู่ในระนาบเดียวกันกับกระดูกเชิงกรานถึงจะดีครับก็ใช่ไหมเพราะนั้นหลวงปู่ซิมเนี่ยจึงแนะนําวิธีการที่ว่านั่งขัดสมัดเพชรเพราะว่าเข่าเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าเท้าอืก็ใช่ไหมใช่ค่ะสมัยนั้นพงเคยนั่งขัดสมัดธรรมดาที่ว่าเข่าอยู่ทับบนเท้าอ่ะนะใช่ค่ะนั่งไปนั้งไปรู้สึกว่าหลังเราจะโกงจริงครับอ่า เพราะว่ากระดูกเชิงกรานเนี่ยมันจะต้องเอียงตัวลงตามเขาที่มันยกขึ้นไงครับพอเอียงลงปุ๊บกระดูกสันหลังมันก็จะต้องงอล่ะงอตามใช่ครับตามมุมที่มันต้องเอียงไปอย่างนี้นั่งสมาธิเพชรจะสมดุลกว่าในระยะยาวใช่ไหมครับออันนี้เป็นเป็นแถ้าแต่คนนะแต่มาว่าถ้าแต่คนเนา ะ, ะรหรือว่าเราไปใช้แบบที่สี่ก็ได้ก็คือว่าขนานกันหมดเลยไม่มีอะไรทับอะไรครับคือเท้ากับเข่านะอยู่ในระนาบเดียวกันระนาบเดียวกันครับ ไม่ไม่ต้องทับอะไรก็ได้เหมือนกันครับอ่าก็คือเข่าเนี่ยก็จะอยู่ติดกับพื้นอ่ะอยู่ระนาบเดียวกันกับกระดูกเชิงกลานอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอหลังเราก็จะตรงได้ในระยะยาวนะคือคือไม่ใช่ว่าอคุณนั่งเอาเอาเข่าทับเท้าแล้วมันจะนั่งไม่ได้นะนั่งได้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีน้ําหนักที่กดทับลงบนกล้ามเนื้อหลังมากกว่าท่านนึงอืมจริงครับ อันนี้คือแค่อธิบายแค่ว่าเข้าสู่เสนาชนะอันสังเกตนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งไกลตรงนะแค่นี้เองนะครับเออเอ อ, เ อ, อ, อันนี้คือแค่นั่งคู่ขานะหมอณพงศ์คู่ขาเนี่ยก็รายละเอียดเยอะละทีนี้ว่าเวลาที่เราพิจารณาเราจะทําอันไหนเนี่ยเราไม่ได้ต้องไปซีเรสขนาดนั้นหรอกเราคือว่า<ม>พอนั่งมันจะทรงตัวได้เราก็เอาเลย<ม>หลังก็พอที่ทำให้มันตรงก็โอเคแล้ว แนันตรงหลังตรงออันนี้คืออาตมาพยายามที่จะแยกแยะรายละเอียดออกให้เห็นตามเท่าที่เราได้สังเกตมานะเนะคือบางบางทีคนที่เขาไม่มีขาเขาจะนั่งกู้ขาเลยก็นั่งไม่ได้นะมันจะต้องนั่งพิงบ้างถ้านั่งเก้าอีก้ก็ก็ได้เหมือนกันครับอันนี้คือเราพูดถึงในกรณีที่ปฏิบัติเป็นรูปแบบนะครับไม่ใช่ว่าจะนั่งเก้าอี้หรือนอนไม่ได้ได้เหมือนกันพวกนั้นเราเรยกไว้ก่อนเลยยังไม่ได้พูดถึงในตอนนี้แตเราพูดถึงเฉพาะที่ว่าเป็นรูปแบบรูปแบบที่ใฉย แนะ่ที่ชนิดที่ว่าเราคุ้นเคยกันดีอืครับต่อไปพระชจ้าก็ให้ดารงสติอยู่เฉพาะหน้านะเฉพาะหน้าตรงนี้ก็ใช้คําว่าปริมุขขังนะมุกนี้คือ <ál> ทางเข้าออกของลมหายใจนั่นเองครับอย่างบริบวเวณปากที่ที่เราเคยบอกไว้ว่าปริมุขังรอบๆ ร, รูจมูกใช่ไหมครับอ่าก็คือทางเข้าออกของลมหายใจนั่นเองครับทางเข้าออกของลมหายใจ ถ้ามาดูกันดีๆเนี่นะมนรพงอย่างอาตามโรงแรมใหญ่ๆอย่างเงี้ยครั บ, รบเขาจะมีโอ้โหทางเขาทํามุกหน้ามุกของโรงแรมมันไว้ใหญ่มากเลยนะอืมางทีง่จอดรถได้เป็นสิบคันนะเนี่ยต้องมีเ อ, อพนัก ง, <ๆ S 1> <ๆ S 2> งานถือกระเป๋าหลายๆคนอย่างเอาถ้าเอาแค่ว่าสนามบินสุวรรณภูมิใครเคยไปหรือสนามบินดอนเมืองเนี่ยโอหหน้ามุกนี่ยาวตลอดแนวอ๋จริงครับใช่คือที่จอดรถเข้าไปได้เนี่ยยานหน้ามุกนี่ยาวตลอดแนว นั่นคือดีไซน์ของเขาในที่คือเป็นตรงหน้ามุกนี่ว่ากันเถอะเพราะฉะนั้นหน้ามุกในที่เนี้ยมันไม่ใช่แหว่ตรงตรงขอบปลายจมูกไงมอธพงคือถ้าเราจับดูตรงหน้าของเราเนี่ยคือจมูกทั้งหมดเนี่ยมันเป็นส่วนที่ร่างกายทําออกมาเพื่อที่จะรับลมหายใจคือถ้าเราจะเอากระดูกจริงๆเนี่ยจะบ่งมันจะไม่มีใช่ถ้าเราดูโครงกระดูกเฉพาะหัวกระโหลกนะที่เราเห็นกันเนี่ยมันจะไม่มีดั้งจมูกออกมาคือ ส่วนจมูกมันจะเป็นเขาเรียกกระดูกอ่อนครับอ่าเป็นกระดูออกที่ยื่นออกมาทั้งหมดตรงนี้ใช่ครับเป็นเป็นแค่ว่าเป็นสิ่งที่ร่างกายดีไซน์ออกมาว่าเป็นทางเข้าออกนั่นเองใช่ครับเป็นเหมือนกับหน้ามุกที่ยื่นออกมาตามโรงแรมอืมอืมเพราะนั้นรจริงๆถ้าเราจะพูดถึงจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เฉ่าตรงปลายตรงรูโพรงตรงรูจบเขาเรียกว่าตรงปลายจมูกของมันไม่ใช่คือมันทั้งหมดเลยทั้งยวงเลยอือคือทั้งโพรงจมูกเลยว่างั้นเถอะครับไอ้จมูกก้อนชมพูเนี่ยนะอ่าใช่ แต่เพราะนั้นด้ตรงเนี้ยแล้วเอาตรงไหนก็ได้ที่เราจะรู้ลงไปใจนี่คือบางคนจมูกแบนจมูกบี้จมูกไม่มีอย่างนี้น ะ, ะครับือไอ้ตรงส่วนที่เรียกว่าปริมุขขังเนี่ยก็ลดน้อยลงไปตามลําดับนั่นเองใช่ไหมครับมันก็น้อยลงไปตามตามลําดับของเขาครัโน้อยลงไปก็คือหมายความว่าเออย่างคนจมูกดงๆอย่างนี้นะ คืว่าในโพรงจมูกเนี่ยเขาก็ยาวนะก็คือเขาก็รู้ได้ตรงไหนก็ได้ในตรงนี้เขาก็รู้เอาใช่ไหมส่วนถ้าคนจมูกเล็กๆนะหรือแทบจะไม่มีเนี่ย้ตรงส่วนปริมุขขังเนี่ยส่วนทางเขาออกนี่ก็เล็กๆตรงนั้นก็ตัวหนึ่งไปด้วยครับเอหรือเอาถ้า worst case เลยเราไปดูตามหัวกะโหลกเนี่ยที่ว่าเหมือนเหมือนกับไม่มีจมูกเลยนะใช่ครับเนี่ยก็คือว่าตรงทางเขาออกมันเล็กนิดเดียวอ่ะยังยังบ้านบางบ้านเนี่ยเขาไม่ได้ทําหน้ามุกออกมามีแค่ประตูเข้าไปเฉยๆใช่คือแค่ตรงนั้นเล็กนิดเดียวแวหนึ่ง เข้าไปปุ๊บก็เป็นอาคารเลยก็คือแค่เหมือนก็แค่ตรงวงกบประตูนั่นเองใช่ครับบก็คือแค่ตรงกรอบวงวงของทางเข้าออกจมูกนั่นเองนะสําหรับคนที่เอไม่มีจมูกแต่ถ้าคนมีจมูกก็คือทั้งยวงนั่นเองของจมูกเขาไม่ใช่เฉพาะตรงปากจมูกที่เป็นวงวงตรงนี้ไม่ใช่แค่นั้นครับเพราะบางทีไอ้ตรงปลายจมูกของเราที่เป็นวงวงเนี่ยเราไม่ได้รับรู้ถึงสัมผัสได้ด้วยซ้ําใช่ครับเออมันแต่มันจะอยู่ข้างในในไปด้วยซ้ําอืมอืม เพราะ้นตรงนี้ก็จึงยกรายละเอียดให้ทราบว่าอมันต้องตรงเนี้ยเอาตรงไหนก็ได้ที่เรารู้สึกถึงลมหายใจได้รับรู้ถึงลมหายใจได้ครับอ <c oughs> ทําไมต้องตรงนี้เอาตรงอื่นได้ไหมตรงเองได้ไหมครับ <c oughs> เอากระปริาบอกป ร, ริมู่ขังไงว่า <c oughs> มันก็ต้องแถวๆเนี้ยเอาสัก <c oughs> ตรง<า> <dares. S 2> หนึ่งในแถวๆถนี้ครับน <c oughs> ะเอาตรงหนึ่งในแถวๆนี้ครับคือบริเวณเนี้ยเอาบริเวณไหนก็ได้ที่คุณจะรับรู้ถึงลมได้ครับ พ <Ừ. S 2> ระพุทาก็พูดถึงช่างกลึงนะช่างกลึงที่เขากลึงชิ้นงานหมอรมัตน์พงศ์คือถ้าพูดถึงช่างกลึงบางคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่เอาเอาช่างไม้ก็ได้ช่างไม้อ่าช่างไม้ เ, เลื่อยไม้อย่างเงี้ยเลื่อยไม้ใส่ไมเ้เลื่อยไม้เนี่ยนะถ้าสมมติเรานึกถึงไม้กระดานสักแผ่นหนึ่งใช่ไหมเอาไม้หน้าสามก็ได้อย่างเงี้ยนะเราช่างไม้เขาก็เอาเลื่อยเนี่ยป้านหนึ่งเนี่ยจะลดลงไปที่เลื่อยไม้ เขาจะชักเข้าชักออกชักเข้าชักออกอยู่งั้นนะ <Hundred. S 1> บางทีเร็วบ้างบางทีช้าบ้างเพื่อให้เจ้าคมเลื่อยเนี่ยกินเนื้อไ ม, ม้เข้าไ <itions. S 1> ปใช่ทีนี้พอเวลาที่เขาดูเนี่ยเขาต้องดูจุดที่มันสัมผัสครับอมีดสัมผัสกับไม้คมเลื่อยสัมผัสกับไม้ถูกไหมใช่เขาจะไม่ได้ดูมาดูจุดที่ด้ามด้ามเลื่อยที่เขากําลังเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอยู่ไม่ได้ดูตรงนั้นไม่ได้ดูที่ปลายเลื่อยที่มันเลื่อนเข้าเลื่อ น, อ, นออกอยู่ไม่ได้ดูตรงนั้น แต่ดูอยู่ที่จุดสัมพันธจุดเดียวใช่ครับแล้วจุดสัมพันธ์นี้มันก็เลื่อนไปตามความลึกที่มันไปอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันเวลาที่เรามาอรู้ระบายใจดำรงสติเฉพาะหน้าเนี่ยดารงสติเนี่ยก็คือว่าเราไม่ได้ต้องตามลมอืไม่ได้ไม่ได้ตามลมเข้าไม่ได้ตามลมออกมาแล้วพงศ์ครับแต่ว่าเรารู้อยู่เฉยนั่นคือว่ามีลมเข้าใช่ รู้อยู่ที่จุดเดียวถ้าจะพูดถึงลมหายใจเนี่ยนะเอาเอาแค่ลมเนี่ยสมมติลมหายใจที่มันเข้ามันออกเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันผ่านเข้าผ่านออกไปมันก็ต้องมีจุดเขาเรียกว่าจุด Refer เรนซจุดที่เขาเรียกว่าจุดที่อ้างอิงจุดอ้างอิงอจด้างอิงตรงนี้เอาจุดไหนอ่ะก็เอาจุดปริมูกขังนี้อืมครับนเพราะว่าลมเนี่ยมันถ้าเราดูมันเป็นคลื่นไปมันเป็นยวงยวงไปไใช่ไหมยวงยวงว่ามันก็ยาวด้วยแล้วมันจะเอาตรงไหนก็นแน่ พอมันหยุดปุ๊บมันหายไปมันเคลื่อนไปมันมาอีกอย่างเงี้ยแล้วก็เอาทั้งจุดหนึ่งก็พอแต่ไม่งั้นมันจะมันจะมึนแล้วนะมันจะเดี๋ยวจะไปคอหอยมันจะไปปอดไปกังบังลมไปที่ท้องไปไหนตอนไหนมันจะไปคนละเรื่องล่ะเราก็เอาจุดเดียวพอครับผมกําลังนึกนึกทางวิทยาศาสตร์นิดนึ่งครับท่านว่าออ่ตัวปริมุกขังหรือว่าตําแหน่งของแถวๆปลายจมูกเนี่ยมันอยู่ระหว่างอายตนะที่ เรื่องของอย่างเช่นตาหูปากหรือลิ้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นเซนเตอร์พอดีเลยว่าเออมันอยู่ก็เลยอาจจะเป็นในเรื่องของทางกายภาพว่าอยู่ใกล้อายตนะที่เราจะรู้รู้สัมผัสได้ไวก็เลยคิดคิดเองนะครับอาจจะมีอาจจะมีส่วนก็ได้เนาะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นพอเวลาที่เรามารู้ดูลมหายใจอยู่เนี่ยนะเราก็ มารู้อยู่ที่จุดเดียวครับไม่ได้ต้องตามลมไป<ช>คือว่ามันต้องมีจุดที่ให้เขามารู้เพราะนั้นปริกมุกแข็งนั่นแหละจะเป็นจุดที่มารู้อือใช่ครับทีนี้ถ้าพูดถึงเวลาเรามารู้น่ะจะรู้ได้อย่างไรใช่ไหมครับคือว่าลม อ, อ่ลมที่ผ่านเข้าผ่านออกเนี่ยเราพูดถึงเอาข้างนอกก่อนนะคืออากาศที่มันอยู่รอบตัวเราเนี่ยถ้าบอกว่าอยู่นิ่งๆก็เป็นอากาศใช่ไหมถ้ามีการเคลื่อนไหวเนี่ยก็เป็นลม พระพุทธเจ้างทีพูดถึงลมที่มีฝุ่นบ้างลมไม่มีฝุ่นบ้างลมชื้นบ้างลมแห้งบ้างลมเหนาวบ้างลมร้อนบ้างต่างๆแเราถ้าเอาก็แค่ลมเฉยๆที่มันมีการเคลื่อนไปเคลื่อนมาแต่เวลาอย่างตอนเนี้ยอที่อุดรธานีเนี่ยลมหนาวเริ่มมาแล้วพอมีลมมากระทบปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้สึกถึงความเย็นเกิดขึ้นใช่ไหมเช่นเดียวกันเวลาลมมันเคลื่อนที่ไปเนี่ยเราจะต้องรู้สึกได้สักอย่างในอย่างหนึ่งแน่ ดังนั้นลมที่มันเคลื่อนเข้าไปในร่างกายเนี่ยคือลมหายใจเข้าล่ะแต่เวลามันเคลื่อนเข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยสิ่งที่มันจะผ่านก่อนเลยก็คือในโพรงจมูกถูกไหมครับโพรงจมูกเพราะฉะนั้นในโพรงจมูกเนี่ยมันก็มีเนื้อเยื่ออ่อนได้ไม่หมดเลยนะมันก็ต้องได้ยังแถมขนจมูกด้วยนะมาละพงอืมใช่ครับเพราะฉะนั้นเองเวลาที่มันผ่านเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องกระทบกับขนจมูกบ้างกระทบกับเนื้อเยื่อพวกนี้แน่นอนเน้เยื่ออ่าก็เหมือนกระทบกับผิวหนังเราข้างนอกเหมือนกัน เราก็จะรู้สึกถึงสัมผัสนั้นได้ใช่ไหมมันก็จะเกิดสัมผัสขึ้นะ่พอเกิดสัมผัสขึ้นเราก็รับรู้ถึงสัมผัสนั้นได้นั่นเองครับอย่างตอนที่เรารู้สึกเนี่ยให้ให้เป็นรู้สึกแบบไม่ต้องมีภาพใช่ไหมครับท่านอ๋อไม่ต้องมีภาพใช่ครับคือบางคนเหมือนว่าพอหลับตาเนี่แล้วโอ้มันเป็นภาพลมเคลื่อนอ๋อไม่เป็นอย่างไัไม่เป็นอย่างนัไม่ใช่ไม่ใช่คือแค่รู้สึกเฉยคือทําความรู้สึกเฉยเนี่ไม่ได้มีภาพอะไร ไม่ได้มีเสียงอะไรอ่าไม่ได้มีความเรียกว่าความรู้สึกใดๆคือนอกจากความรับรู้ถึงลมหายใจเท่านั้นเองครับเนอะอ่าแล้วก็เวลาเรารับรู้ถึงลมหายใจเนี่ยไม่ได้ไประกาเกณฑ์ว่ามันกี่ตารางมิลลิเมตรนะหรือว่ารูปที่สัมผัสเนี่ยพื้นที่ที่สัมผัสเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือเป็นรูปรโดนัทเนีทำ ม, มุมกี่องศากัะดั้งจมูกโอ้ไม่ต้องขระดนั้นครับอ่ครับเอาแค่ว่า เรารับรู้ได้ที่ไหนเราก็เอาตรงนั้นเลยครับออย่างเราเร า, าบางคนเขาเอานิ้วชี้เนี่ยเป็นตัวบอกทิศทางลมอย่างเงี้ยโดยกา ร, รเอาเอานิ้วชุม่มทาจุ่มน้ําใช่ไหมให้มันเปียกนิดนึงแล้วก็ชูขึ้นไปบนอากาศอย่างเงี้ยลมพัดมาทางทิศทางไหนเขาก็จะรู้สึกได้แค่นั้นเองเหมือนกับพวกเดินป่าเขาจะทํากันนะหมอครับหมองล์เคยเคยเห็นมาหรือเคยดูหนังที่เขาทำอย่างงี้คือดูทิศทางลมว่ามันมาจากทางไหนอะนะ อืมค จ, จะได้รู้ว่าลมเหนือมาหรือยังหรือลมใต้หรือทิศทางเปลี่ยนแปลงไปทางไหนอย่างนักครคสมัยก่อนเนี่ยเขาจะดูธงนะว่าธงมันพลิวไปทาง ไ, ไ, ไหนเพื่อที่จะดูยุทธการไฟนะวางเพลิงหรือวางอะไรเขาก็จะดูทิศทางลมตรงนี้ใช่ครับอืเช่นเดียวกันเวลาที่เรารู้ลมหายใจเนี่ยก็คือมันจะมีสัมผัสที่เกิดจากการที่ลมมันผ่านไปครับสัมผัสที่เกิดจากการที่ลมมันผ่านไปนี้ก็ธรรมดา มันจะมีสัมผัสแน่นอนใช่ครับแต่บางคนอาจจะบอกว่าไม่มีอะไรไม่เห็นได้รู้สึกอะไรมียุบเบาๆนั่นแหะมันเบาๆได้นอนคือบางทีเราไม่ได้ไปใส่ใจไปตรงนั้นน่ะนะอย่างบางทีลมหา่ใช่ของเราใส่ไปหายใจหาใจเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกว่ามันหายใจด้วยนะคือเพราะว่ามองข้ามไปเลยเออจะเราเค่ไม่ได้เอาใจไปใส่ไปตรงนั้นเท่นั้นเองใช่ครับครับอแต่นี้คือเราให้เอาใจไปใส่ไว้เแต่พอเราเอาใจไปใส่ไว้เนี่ยเราจะรับรู้ได้ถึงจุดสัมผัสตรงนี้ครับ จะเบาก็ตามจะแรงก็ตามได้ทั้งนั้นครับทีนี้วิธีการจะสมมติว่าเรายังไม่เห็นเนี่ยอาจจะใหายใจแรงๆสักสองสามครั้งก็ได้หายใจแรงๆสองามครั้งอาจจะทำให้รับรู้ถึงสัมผัสจงจุดนั้นได้ครับอส่วนตัวก็จะใช้วิธีเดียวกันครับท่านเวลาลมแบบเริ่มแผ่วๆบางทีอยากรู้ลมก็ซื้อฟื้นแรงๆพอรู้เสร็จแล้วก็หายใจธรรมดาไปใช่ไหม บบาหายใจธรรมดาแล้วเนี่ยมันอยู่ที่จุดไหนเราก็เอาไปที่จุดนั้นต่อเนื่องไป ค, งคือคือบางทีหายใจธรรมดาแล้วเนี่ยเราไม่ได้รับรู้ถึงสมบัติที่แรงแล้วใช่ไหมแค่เบาบๆต่อไปเนี่ยเราก็เอาจิตของเราไว้ที่ตำแหน่งเดิมต่อไป<ม>ออืโดยไม่ต้องรู้สึกก็ได้แต่เอาไว้ที่ตำแหน่งเดิมต่อไปอย่างนี้นะครับเอทีนี้บางทีเวลาเราหายใจเนี่ยเเข้าออกเนี่ยนาหมอรพงค์อันนี้คือเรากำลังพูดถึงเรื่องเบสิคมากๆเลยนะ ไม่ได้แค่แค่บรรทัดแรกมันประโยคแรกของผู้เช่าพูดแค่ว่าตั้งใจตรงดำรงสติเฉพาะหน้าแค่นี้เองนะที่เราพูดอยู่ตอนนี้นะได้ใ ช, ใช่ครับเ อ, อทีนี้ลามหายใจที่มันผ่านเข้าผ่านออกเนี่ยอผู้เจ้าให้ดํารงสติเฉพาะหน้าเอาคําว่าสติสักหน่อยหนึ่งก่อนนะสติเนี่ยแปลว่าความระลึกได้อ๋อระลึกได้ใช่ระลึกได้ ค, ไดคือแค่รู้นั่นเองมามาระลึกถึงอ่อย่างเรารมาระลึกถึงหน้าคนนั้นถึงเรื่องราวต่างๆ เมื่พงปุีคุยนี่อยู่ไปนึกถึงอว่าคนนั้นจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยอันนั้นแหะคือ<ช>สตินะคือการระลึกถึงอออืในที่นี้เราพูดถึงอนาปานาสติก็คือมาระลึกถึงลมหายใจ น, นั่นเองอย่างบางทีเราไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เอะเรามาระลึกถึงลมหายใจ น, นะคืออนาปาันาสติลนะ่ะเราไปทําสิ่งนั้นพูดสิ่งนี้กับคนนั้นคนนี้อยู่เอาเรามาระลึกถึงลมหายใจอันนั้นคุณทําอนาปานสติละออย่างเงี้ยนะทีนี้พอมาระลึกถึงเนี่ยก็คือว่ามาระลึกถึงนะที่ไหนแล้วลมหายใจมันยาวนะ ลมหายใจมันเลื้อยเข้าไปนะลมหายใจมันไม่ได้อยู่นิ่งด้วยนะเอาจุดนี้ไงบริมุขขังจุดเดียวครับอายละเอียดเลยนะเวลาบอกว่าคุณระลึกถึงลมหายใจเนี่ยเอาจุดอ้างอิงนี้นี่คือตำแหน่งเฉพาะหน้านี้ะเอาจุดนี้แหละเป็นจุดที่อ้างอิงเป็นจุดที่ระลึกถึงครับแต่คือไม่ได้ใช้จุดอื่นนะใช้จุดนี้สันนิษฐาเองพอเราใช้จุดนี้แล้วเนี่ยมันนึกถึงลมหายใจทีนี้ถ้าเรานึกถึงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องต่อเนื่องไปต่อเนื่องไป ไอการนึกถึงตรงนี้ก็เขาก็เรียกว่ารู้ล่ะรู้เฉยๆถูกไหมสมมติว่าเรานึกถึงลมหายใจเราก็ไปคิดเรื่องอื่นหนึแล้วก็มานึกถึงลมหายใจอีกเราก็ไปคิดเรื่องอื่นหนึอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราตัดตรงคิดเรื่องอื่นออกไปได้เนอะหรือแต่ระลึกถึงลมหายใจระลึกถึงลมหายใจระลึกถึงลมหายใจระลึกถึงลรหายใจไปไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือพูดง่ายคือรู้ลมหายใจนั่นแหละถูกไหมครับเนี่เพราะฉะนั้นเขาจึงใช้คําว่าอ่าระลึกรู้ก็มีนะระลึกรู้ถึงลมหายใจนั่นเองครับอ่า ทีนี้พอเรามาระลึกรู้ลมหายใจแล้วเนี่ยอเราก็ทําอย่างเป็นธรรมชาติไม่ได้ตามลมนะครับเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าคือบางทีมันมีเทคนิคการหายใจนักปรานานาเขาจะหายใจแบบนี้อคนเล่นกีฬาแบบนี้ก็จะหายใจแบบหนึ่งวิ่งมาราธอนอะไรแบบนี้อ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่ได้ฝึกการหายใจอย่างนั้นอ๋อปล่อยเป็นธรรมชาติปลยเป็นธรรมชาติเลยใช่ทีนี้ว่าที่เราต้องรู้ก็คือว่าฝึกจิตของเรา สิ่งที่เราต้องการฝึกตอนนี้ก็คือจิตเรานั่นเองอแต่ฝึกจิตให้มันมารู้อยู่กับลมหายใจในะไม่ว่าจะเป็นลมหายใจแบบไหนก็ตามนะคือหมายก่าว่าจะเป็นลมหายใจที่สั้นหรือที่ยาวที่เร็วหรือที่ช้านะที่ออุ่นหรือที่ร้อนนะเป็นการหายใจแพทเทิร์นแบบไหนเราก็รู้อยู่ได้นั่นเองครับเออพอเรารู้ลมหายใจอย่างนี้แล้วเนี่ยธรรมดาธรรมดาไปเนี่ยนะครับอ่าเราไม่ได้บังคับลมไม่ได้แต่งลมด้วยคือหมายก่าว่า ถ้าคุณวิ่งอยู่คุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงลมหายใจก็คุณก็รู้ได้อยู่ดีว่ า, วาคือเราไม่ได้บังคับลมให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปตามระบบเนี่ยก็เอาตามนั้นนะคื อ, คอไม่ใช่ว่าวิ่งแล้วคุณจะดูลมหายใจไม่ได้ไม่ใช่นะคื อ, ค, อคือได้เหมือนกันมันก็ไปตามระบบร่างกายเนาะอาจจะห า, หายใจเร็วและแรงใช่ใช่ในกรณีนั้นๆั้นที่เราฝึกตอนนี้คือจิตนั่นเองแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้ฝึกหายใจแบบไหน ให้ฝึกหายใจโดยที่มีจิตกำกับอยู่นั่นเองนะครับถ้าเราฝึกหายใจอย่างนั้นได้ก็ถือว่าถูกต้องละทำอนาภรณสติละอ่านะทีนี้พอเรามารู้ลมหายใจเนี่ยอลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกอยู่ในโพรงจมูกเนี่ยนะอเขอเปลี่ยนประเด็นไปถึงตรงที่ว่าเวลาที่ถ้าสมมติเขาไม่มีจมกูกคนที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ อ, อย่างเงี้ยหรือว่า หายใจผ่านก็เรียกว่าหน้ากากเขาเรียกว่าอะไรนะหน้ากากออกซิเจนนะะอ่าออกซิเจนแมสหรือว่าหลอดออกซิเจนอย่างเงี้ยหมอแล้วพงศอ๋อที่มีเสียบเข้าไปในจมูกเนี่ยครับนะอซเจในกรณีของหน้ากากออกซิเจนหรือว่าหลอดออกซิเจนก็ตามเนี่ยนะก็จะเหมือนกันอย่างที่เราทําออเป็นปกติเนาะแต่ถ้าคนที่หายใจทางเครื่องช่วยหายใจแล้วนะไอ้ตรงจุดที่เป็นทางเข้าออกเฉพาะหน้าของเขาเนี่ยจะไม่ได้อยู่ที่จมูกละ ออ่ะจะไปอยู่ที่ปากแทนอย่างงี้นะเพราะฉะนั้นเวลาลมมันเข้าไปเนี่ยเขาจะอเอาหลอดนี้เข้าไปถึงขั้วปอดเลยใช่ไหมหมอเด็ปงใช่ครับเวลาที่เขาแยงไอ้เครื่องช่วยหายใจเข้าไปอะนะลึ ก, ลกเ ล, ลึกนู่นเลยเน่ยเกือบโอ้สามสิบเซนเมตรมังครับถึกเลยไปถึงขั้วปอดนั่นเลยอะครับที่เป็นทางแยกเข้าไปสองอันนะะใช่ครับเอปอดมีซ้ายขวาแล้วก็เหมือนเหมือนเป็นรูปตัววหัวทิมอ่าใช่ใช่ทีนี้ไอ้จุดที่เขาจะไปรู้ลมหายใจเนี่ย มันจะไม่ได้มาอยู่ตรงที่ตำแหน่งที่ลมหายอ่าโพรงจมูกล oh, ะโอครับแต่มันจะมีสักอันหนึ่งที่เรารับรู้ถึงการหายใจได้อยู่เพราะฉะนั้นการหายใจกับสัมผัสของลมหายใจในโพรงจมูกเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคือ ค, คือเราหายใจผ่านทางจมูกนี่ก็อันหนึ่งใช่หมใช่หายใจผ่านทางปากอย่างนักประดา น, านา้ําอย่างนี้นี่ก็อันหนึ่งนะน 8, 1, ใช่ครับหายใจโดยใช้เครื่องช่วยหายใจนะก็นี่ก็อันหนึ่งนะ เพราะฉะนั้นสามอย่างเนี่ยคือการหายใจเหมือนกันแหละแต่ว่าสัมผัสของลมเนี่ยจะต่างกันไปใช่ครับแต่มีแต่มีการหายใจเหมือนกันแต่เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงการหายใจนั่นก็คือไม่ได้เป็นคนละอันกับลมหายใจนะอ๋อเป็นคนละอันกับลมหายใจการหายใจเป็นคนละอันกับลมหายใจเพราะฉะนั้นเรามีสติอยู่เนี่ยเรามีสติอยู่ในการหายใจแต่ถ้าเราหายใจทางจมูกธรรมดาเนี่ยคือเราใช้สัมผัสของลมหายใจเนี่ย ช่วยให้เรารู้ถึงการหายใจได้อืนะเอาซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะถ้าการหายใจทางจมูกธรรมดานะเพื่อเราใช้สัมผัสของลมหายใจเนี่ยในโพรงจมูกเนี่ยช่วยให้เรารู้ถึงการหายใจของเราครับโอเคนะคือใช้สัมผัสของลมหายใจเนี่ยช่วยให้รู้ถึงการหายใจน ะ, ะทีนี้บางคนหายใจทางปากอย่างเงี้ยแต่ก็ก็ยังใช้สัมผัสอยู่เหมือนกันนะช่วยให้รู้ถึงการหายใจได้เข้าใจนะครับอ่า ทีนี้บางทีสัมผัสอาจจะมีโรคทางจมูกทําให้อยหายใจทางจมูกไม่ได้่ใชก็ต้องหายใจทางปากเอาทีนี้ป่อใหาใจทางปากแล้วจุดสัมผัสมันจะเปลี่ยนแปลงไปละใช่ครับสัมผัสของลมนะจะทําให้รู้การหายใจเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปครับทีนี้อย่างคนที่หายใจโดยใช้เครื่องช่วยหายใจนีสัมผัสนี่ก็จะไปอยู่ที่คั่วปอดละตรงนั้นก็มึนลึกเข้าไปใช่ครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้ลมหายใจของเขาได้ โอเคนะทีนี้รเรารู้ลมหายใจเนี่ยด้วยการใช้สัมผัสของลมหายใจรู้การหายใจเนี่ยด้วยการใช้สัมผัสของลมหายใจซึ่งตรงนั้นเด็กก็ไม่รู้ว่าคุณจะรู้สึกสัมผัสได้ไหมอาตมาก็เคยไม่เคยใส่เครื่องช่วยหายใจก็เลยไม่รู้ครับก็ไม่เคยครับ <นะ S 1> เพราะฉ<น>ะนั้นนะอันเนี้ยคนที่ใช้เครื่องช่วยหายใจเนี่ยคงจะต้องลองหาดูนะว่าเอ๊ะตำแหน่งการหายใจของเรามันอยู่ตรงไหนกันแน่มันจะมีสัมผัสไหมถ้าไม่มีสัมผัสเราใช้อันอื่นช่วยได้หม แต่เพื่อให้มารู้ถึงการหายใจของเราได้กันนี่มีมีบางคนที่บอกว่าไปสังเกตที่ท้องพองยุบอย่างเงี้ยสมเป็นท่านคิดว่ายัางไงครับเอก็คือว่ามันจะต้องมาสอดคล้องกับตําแหน่งที่พระเจ้าบอกว่าดํารงสติอยู่เฉพาะหน้าครับดํารงสติอยู่เฉพาะหน้าเพราะฉะนั้นเฉพาะหน้าเนี่ยหน้าในที่นี้ก็เฉพาะจาะจงเลยคือปริมุ ข, ขังคือตําแหน่งที่เข้าออกของเราหมายใจ ครับดฉะนั้นท้องนี่มันไม่ใช่ตำแหน่งที่เข้าออกของลมหายใจแน่ละมมันเป็นส่วนในๆแล้วนะครับใช่ใเ <ปะ S 2> พราะฉะนั้นตรงนี้จึงต้องมาดูว่าอที่เข้าออกของลมหายใจเนี่ยถ้าเป็นจมูกมันก็อยู่ในโพรงจมูกแตถ้าเป็นปากมันก็อยู่ที่ปากใช่ไหมถ้าเป็นเครื่องช่วยหายใจมันก็จะอยู่ลึกๆเข้าไป น, นะอันนี้มันต้องแต่ละคนนี่ต้องคอยฝึกเฝ้าดูสังเกตแล้วกันอืมตำแหน่งปริมุขข้างตรงนี้แล้วนะเรื่องนี้สําคัญมากเพราะว่าถ้าเราสสทรงจิตไว้ที่ตำแหน่งที่ถูกต้องตามที่ผู้เช่าบอกเนี่ย เราก็จะได้เห็นผลตามที่อพระเจ้าได้ตรัสไว้นะสําคัญมากคือไม่ใช่ว่าเครื่องช่วยหายใจหรือว่าใช้นักประดาน้ําจะสังเกตลมหายใจไม่ได้ไม่ใช่นะครับอทําได้ครับหรือแม้แต่ว่าคนที่ไม่ได้หายใจแล้วงเช่นว่าคุณจมน้ําลงไปไม่มีเครื่องประดาน้ําอย่างเงี้ยครับคุณต้องกลั้นหายใจอย่างเงี้ยหรือว่าคนจะจมน้ําตายอย่างเงี้ยนะจมน้ําไปปมแปมบมแบมนี่มันไม่ได้มีการหายใจแล้วตอนนั้นต้องอั้นลมหายใจอ ย, อย่างเดียวนี่ เ oh, ที่ถามว่าตอนนั้นจะทรงสติไว้ยังไงอื ม, อมจะดํารงสติอยู่เฉพาะหน้าได้ไหมคําตอบคือได้นะได้ใช่ไหมครับคำตอบคือได้เพราะว่าโดยปกติเนี่ยเราใช้สมบัติของลมในการที่จะมาะรู้ถึงการหายใจใช่ไหมใช่ครับซึ่งในกรณีนี้สมบัติของลมไม่มีเราคุณอยู่ใต้น้ำละ่ะใช่ไห ม, ม, มทีนี้อย่างที่ธรมาบอกตั้งแต่ตอนแรกไงว่าเวลาที่เราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยถ้าเบิดสัมบัตินี้มันเบาลงไปจนแทบจะไม่มีเลยเนี่ยเราก็เอาจิตของเราไปที่ตำแหน่งเดิม ครัเอาจิงเราไว้ที่ตำแหน่งเดิมคือให้มีสติอยู่ที่ตำแหน่งเดิมลมหาใจจะเบาไปแค่ไหนอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกแต่เช่นเดียวกันคือถ้าเราอยู่ใต้น้ําไม่สามารถหายใจได้ไม่มีเครื่องช่วยหายใจเนี่ยถ้าให้เราเอาจิตไว้ที่ตำแหน่งเดิมนั่นเองคือตำแหน่งปริมุขขังนั่นแหละก่อนที่คุณจะตกมาในน้ํานี่แหละนะเอาคุณเอาจิตไว้ที่เดิมตรงนั้นเองไม่มีปัญหาละจิตเราก็ชื่อว่ายังมีที่ตั้งที่ระลึกถึงนะวพรางั้นเถอะใช่ครับ พอจิตเรามีที่ตั้งที่ระรึกถึงอย่างนี้แล้วนะก็คือมีสติละมีสติตรงนี้คือสบายละอืครับกุ็จึงจะลมหายใจครับจะเป็นลมหายใจชนิดรูเดียวสองรูนะเข้ารูหนึ่งตันรูหนึ่งอย่างเงี้ยก็ไดนะ้หรือปกติก็ได้หรือว่าจะเป็นหายใจเข้าทางจมูกออกทางปากก็ได้หรือหายใจโดยใช้เครื่องฉ่อ ย, ยใจก็มีสติได้หมดเลยครับนะ อเอาแค่ว่าตอนนี้เราหยุดที่แค่ว่าดํารงสติอยู่เฉพาะหน้าก็พอนะให้มีสติในสําคัญที่สุดละเพราะฉนั้นเรามีสติอย่างนี้นอก็คือมีสติปัฏฐานสีได้แน่นอนมีสติปัฏฐานสีคุณทาโพชฌงค์เจตให้เกิดขึ้นได้แน่นอนมีโพชฌงค์จิตคุณมีวิชาวิมุตติได้แน่นอนวิมุตติเจริญขึ้นมามเพราะฉะนั้นตอนนี้เราพูดกันเบสิคเบสิคเลยเอาแค่ว่าคุณรับประทานาอาหารเสร็จนแะสวงหาอาหารมาเรียบร้อแล้วนะเข้าสู่เสนาสนะอันสังกัด นั่ง<ม>ตั้งนั่งคู่ขาเข้ามาได้รอบตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าเอาแค่นี้เองแน่นไม่สิกสุดๆล้วอืะ<ม>จะไปที่ไหนก็ค่อยไปจะไปที่ไหนก็ค่อยตทำนะพระเจ้ า, <ม>าเคยพูดไว้หลายวารค ห, หลายโอกาสตรงเฟรชตรงเนี้ยใ น, นที่ว่าเข้าสู่เสนาสนะสันสงัดนั่งคู่ขาเข้ามาในรอบตั้งกาตรงดํารงสติเฉพาะหน้าเนี่ยสําคัญมากเลยบางทีเอไว้หัวของมรณสติบางทีเอาไว้หัวของเรื่องนิวรณ์บางทีเอาไว้หัวของอนนาปันสติบางทีเอาไว้หัวของเรื่องอื่นก็มีหมดครับ พอเราพูดถึงตรงนี้เบสิกเลยนะหมาพงศ์เป็นการนั่งสมาธิที่เป็นรูปแบบพื้นฐานเลยับทุกคนก็น่าจะทำได้เคยผ่านมาแล้วหรือถ้ายังไม่เคยก็ลองฝึกตามนี้ดูไม่ยากไม่ยากขณะที่ฟังผมยังคิดดูว่าตอนที่ท่านท่านพระอาจารย์เนี่ยอธิบายเนี่ยคนที่ฟังเนี่ยให้ฟังไปด้วยทำไปด้วยเลยครับใช่ใช่แต่ถ้าไม่ได้มีกิจกรรมเช่นขับรถอยู่ก็ทาได้แน่นอนนะครับ เพราะเราเอาเบสิกตรงนี้เป็นพื้นนเลยนะคือทุกอย่างมันต้องแบ็กสู่เบสิกนะเพราะเราจะนั่งอ่าตรงนี้พอเราทำเบสิกได้นะหมอละพงคุณนั่งหลับตาลืมตาก็ได้ตรงนี้พระเจ้าก็ไม่ได้พูดด้วยนะว่าลืมตาหรือหลับตานก็ได้ทั้งนั้นรแต่บางทีตามเปิดแล้วมันทําให้จิตมันพุ่งออกไปด้วยเนี่ยก็ปิดตาสักก็ได้อย่างงี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราฝึกตรงนี้เป็นพื้นฐานได้เนี่ยเราพยายามที่จะขยายผลเนี่ยไปทําำที่ทำงาน นั่งอยู่ในรถไฟใต้ดินรถไฟลอยฟ้ารถอะไรก็ได้แต่รถเก๋งหรือไปที่ไหนอ่าเราพยายามทําอย่างนี้เหมือนเดิ ม, มเพราะว่าอะไรเพราะว่าลมหายใจในตามเราไปทุกที่ในฝันฝันก็ตามไปนะตอนนอนมก็ตามไปครับเพรา ะ, ะนั้นเรามีมันอยู่อย่างนี้เนี่ยมีลมหายใจอยู่อย่างเงี้ยเรามีสติได้แน่นอนอก็ยังนึกว่ากรับใดที่เรายังมีลมหายใจเราก็มีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมได้ใช่ไหมครับใช่ใช่แต่ไม่ยากเลย แล้วก็เป็นเรื่องเบสิกเบสิกที่เราทํามาตั้งแต่อ่อนต่ออดแล้วนะพอหมอเข้าไอ้ที่ดูดเนี่ยดูดน้ำเมือกออกตีตูสองสามตีนะหายใจเครื่องแรกพุ๊บพัวนั่นแหละเราไม่เคยหยุดหายใจเลยอืมครับไม่เคยหยุดหายใจเกินสิบนาทีไหมหมอพระพผษจริงๆทางการแพทย์เขาบอกสี่นาทีสี่นาทีสี่นาทีไม่เคยเกินสี่นาทีเลยครับเป็นคริติคอลพิเลียอคือเหมือว่าถ้าหยุดหายใจเกินสีนาทีสมองจะเริ่มตายเริ่มตายแล้วใช่ เพราะในความจริงเคยเคยดูสารคดีบางคนตั้งสิบกว่านาทีนะครับก็มีเนาะใช่ครับคงฝึกมาแล้วไม่รู้สมองเ้าตายเริ่มตายหรือยังครับผมนึกว่าปรดาน้ำถ้าสี่นาทีเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยอยู่ห่างจากความตายแค่สีนาทีจริงครับอไม่ได้ไกลเลยนะคือถ้าคุณไม่หายใจนี่คือคุณจบเลยอย่างน้อยอย่างอย่างอย่างน้อยๆเนี่ยสี่นาทีหรืออาจจะเร็วกว่าด้วยซ้ําครับใช่ครับบางคนอาจจะสั้นกว่าด้วยครับ คือหมายความ่าไม่ใช่ว่าอยู่เป็นอีกสิปีโอชันเพื่ออายุย0สิกว่าเองอยู่ในช่วงต้นของชีวิตยังเหลืออีกตั้งยี่สบสามสิปีไม่แน่นะสี่นาทีเนี่ยเป็นอย่างมากที่สุดแล้วครับบางคนก็นอนๆแล้วก็ที่บอกว่าไหลตายเงี้อวางไปเลยครับไม่ลุกขึ้นมาเลยก็มีมันก็คือกรณีนี้แหละหลายๆคนที่เป็นโรคที่ไอลิ้นลิ้นปีมันไปปิดทางเดินหายใจ่ เขาเรียกว่าอะไรลิงไก่ไปปิดทางเดินหใายใะที่กรนนะฮะกร่นบางที่ตายไปเลยนะหมอครับงมันไปปิดทางลมหายใจแล้วก็ไม่รู้เรื่องก็เอวังไปเลยก็มีครับเจอเยอะด้วยนะครับท่านตอนนี้ใช่โรคนี้โรคนั้นรายมากเพราะฉะนั้นคือว่าเราก็มามีสตินั่นเองแต่ถ้าเรามีสติอยู่เนี่ยคุณจะอยู่คุณจะไปคุณจะอยู่ที่ไหนไปพบในชาติไหนเนี่ยก็สบายอยู่ะขับรถไปที่ไหนก็สบายอยู่ ครับเป็นติพึงอันเกษมใช่ไหมครับใช่ใช่เพราะฉะนั้นแตพูดพูดถึงว่าตอนที่สมมุติว่าเรานอนแล้วก็คนที่อไอลิ้นไก่ไปปิดแล้วก็ตายเนี่ยอย่างนี้เราควรวางจิตหรือว่ากําหนดจิตอย่างไรครับก็คือว่าก่อนนอนเนี่ยเรามีสติอยู่อย่างนี้ใช่ไหมกระน้อจิตไปเพื่อการนอนและด้วยการหวังว่าไอเจ้าบาปอกุศลทั้งหลายเนี่ยจะไม่ตามเราผู้ซึ่งนอนอยู่แค่นั้นเองสบายละออืครับ ออให้ตั้งตั้งแต่ก่อนจะนอนเลยใช่ใช่ทีนี้พอเราทําอย่างนั้นแล้วเนี่ยคุณจะนอนไหลตายไปคุณจะมีเครื่องช่วยไม่มีเครื่องช่วยก็สบายลอะอก็สบายแล้วคือสมมติว่าถ้าร่างกายนี้มันไม่ดีเนี่ยเราก็ไปที่ดีดีกว่าได้ร่างกายใหม่ที่ดีกว่ามันก็ดีอะนะครับเพราะฉะนั้นจึงสรุปในที่นี้คุณหมอรัพย์พงว่าเรา back to basic นให้ใช้พื้นฐานง่ายๆและด้วยการที่เรามามีสติในลมหายใจ นะทําที่ไหนก็ได้ในที่นี้เราพูดถึงการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบนะด้วยการรูปแบบที่เราคุ้นเคยกันคือนั่งคูข่ขาเข้ามาได้รอบนั่นเองครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราพูดถึงแค่นี้นะแ ค, คะ่หาเซนาสนะอันสังกัดกินข้าเสร็จแล้วนะมาสู่เซนาสนาอันสงนังกัดนั่งคูข่ขาเข้ามาได้รอบตั้งกายตรงตั้งตรงสติเฉพาะหน้าเท่านั้นเองครับนะง่ายๆแค่นี้เลครับจริงๆดูเหมือนง่ายนะครับแต่ว่า รายละเอียดเยอะนะถ้าทําอันนี้ส่งก็เยอะด้วยใช่รายละเอียดเยอะด้วยอันนี้ส่งก็มากด้วยครับนะครับเอาละในวันนี้เราพูดแค่นี้เองกลับสมควรแก่เวลานะจบตอนเก้าสิบแปดอ่ก็ค่อยมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปคุณบ้านและพงศ์กลับก็กลับวัดการขอบพระคุณพระอาจารย์ไผบูรณ์อภิบุโนแห่งวัดป่าดอนไหโซกจังหวัดดอนทานีครับเรียนบ้านครับกลับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ